สิกขาบทวิพัง1น6่ิหวิหารที่ชื่อว่าหลังใหญ่ท่านกล่าวถึงวิหารที่มีเจ้าของที่ชื่อว่าวิหารได้แก่ที่อยู่ซึ่งโบกฉาบภายในหรือภายนอกหรือโบกฉาบทั้งภายในภายนอกคำว่าสร้างคือสร้างเองหรือใช้ให้คนอื่นสร้างคำว่าใกล้วงกบประตูคือชั่วระยะหัตถบาตรอบวงกบคำว่าจะติดตั้งบานประตูคือวางบานประตู คำว่าตกแต่งบานหน้าต่างคือฉาบทาบานหน้าต่างให้มีสีขาวให้มีสีดำให้มีสียางไม้เขียนลวดลายดอกไม้เขียนลวดลายเทวร์วันจักเป็นฟันมังกรหรือเขียนลวดลายดอกจอกคำว่ายืนในที่ปราศจากของเขียวดำเนินกลางมงหลังคาได้ 2-3 ถึงชั้นความว่าที่ชื่อว่าของเขียวได้แก่ บุพนชาติและอัปปราชาติถ้าภิกษุยืนดำเนินการในที่ที่มีของเขียวต้องอาบัติทุกกฎภิกษุเมื่อจะมงตามแนวพึงดำเนินการสองแนวสั่งแนวที่สามแล้วจากไปภิกษุเมื่อจะมงเป็นชั้นพึงดำเนินการสองรอบสั่งรอบที่สามแล้วจากไป137คําคำว่าถ้าเธอดำเนินการเกินกว่านั้นแม้จะยืนในที่ประศากของเขียว ความว่าภิกษุเมื่อมุงด้วยอิฐต้องอาบัติปาจิตตีทุกทุกก้อนเมื่อมุงด้วยแผ่นศิลาต้องอาบัติปาจิตตีทุกทุกก้อนเมื่อมุงด้วยปูนขาวต้องอาบัติปาจิตติทุกทุกก้อนเมื่อมุงด้วยหญ้าต้องอาบัติปาจิตติทุกๆกคำหญ้าเมื่อมุงด้วยใบไม้ต้องอาบัติปาจิตตีทุกทุกใบ